ไปเอ็ดต้มติดต่อได้ไหมต้อมไหนตูแล้วไปในครัวอ่าไปใครไปช่วยตัวเองนะไปนี่ไปใครต่อไปช่วยตัวเองช่วยตัวเองทําไงช่วยตัวเองอ่ะนั่งคุยนั่งโศกันเต็มรถอยู่บ่ได้นั่นล่ะรู้จัก นั่นแ่ะไม่รู้ไม่จะช่วยตัวเองไปบนรถมันเสี่ยงมันอันตรายนั่งภาวนาไปอย่าไปคุยอย่าไปโสกันแม้นขี้แขวกันนะไปหาครูบาอาจารย์ไปกราบครูบาอาจารย์ไปเอาบุญก่อนจะไปถึงบุญนี่ก็เอาอัดบุญเข้าไปในหัหวใจเจ้าของสักก่อนตลอดระยะเส้นทางไปเนี่ย ลองดูดีไม่ดีจะดีกว่านอนภาวนาหมดทั้งคืนนะ่ะนั่งภาวนาไปบนรถนะ่ะการลงการขึ้นการเข้าการออกปั๊มน้ำมงน้ำมั น, ออนห้องน้ำห้องท่าอะไรรู้จักรมะมาระวังข้ามถนนข้ามอะไรอันตรายรอบด้าน มัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวบอกคุยอยากบอฮะมัจจุราชมองไม่เห็นตัวเห็นแด่ตอนมันแอ n งแม่งนั่นเห็นแต่ตัวมันนั่นแหละมัจจุราชมัจจุราชคือความตายมัจจุมานมัจจุราชมัจจุมานพยามานมัจจุมาน ความตายทั้งถือว่าเป็นมารความตายมันก็เป็นผลิตผลมามาจากกิเลสกิเลสเขาเรียกกิเลสสมานกิเลสทําให้เราได้ขันเนี่ยขันต้องมองแตงแมงอยู่เนี่ยเขาเรียกขันทรรมานคําว่ามารก็คือสิ่งที่ตัดรอนเราคําว่ามารเนี่ยสิ่งที่มาตัดรอนเรา อยู่ดีมีสุขสะดวกสบายเอา้าถูกตัดรอนไปแล้วเครียงมารายุไขยังไม่ถึงไหนเอา้ากรรมมาตัดรอนไปแล้วมัดจุมานเอาไปแล้วต้นต่อของมันแท้ๆคือกิเลสสมานกิเลสทําให้เราได้ขันที่เรียวกว่าขันธรรมานมีขันมาแล้วก็มีแก่มีเจ็ยดมีตายเป็นมัดจุมานนี่มัดจุราชนี่แหละมาร มารเหล่านี้มันค่อยกีดขวางกันกีดกั้นเราอย่าว่าคนนั้นกีดกั้นเราคนนี้กีดกั้นเราคนนั้นเป็นมารเราคนนี้เป็นมารเราไม่ใช่ตัวเราเองใจเราเองน่ะมันเป็นมารกัดกร่อนในหัวใจของมันเองถ้าเราตั้งประเด็นไว้อย่างนี้นี่ไม่มีโอกาสที่เราจะไปต่อกกราใครหรอกตอกกรจะกับกิเลสในหัวใจเจ้าของไม่ต้องไปผิดเพิ่มโทษเพิ่มเวรเพิ่มบาปเพิ่มเพิ่มภัยเพิ่มกรรมกับใคร เพิ่มกับตัวเองนี่ก็พอแล้วแหละต่อกอนกับเจ้าวัตตะในตัวเองนี่ก็พอแล้วเราไม่ต้องไปต่อกกันกับใครแหละนี่คือพยามานอือย่าลืมว่ามัจจุมานมัจจุมาณเนี่ยมันมีภาวะอารอบข้างตัวเรามันพร้อมที่จะเป็นเหตุให้เกิดมัจจุมาณได้รู้จักไหมโดยเฉพาะการนั่งไปบนรถเนี่ย ไปกับไอ้ลอกกลมๆที่มันหมุนเนี่ยไอ้เราก็หมุนไปเขาก็หมุนมาเนี่ยเฉียวกันไปก็เฉียวกันมาต้องระวังนั่งภาวนาไปไม่ประมาทใครมัวแต่ประมาทนอนหลับตลอดเปิดเปิงเปิ้งมาอ่าอยู่ในท่าทีที่ระมัดระวงังอ่ามีอะไรขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอะ ใจมันพอจะละเอียดได้บ้างไม่งั้นก็อาคาตพยาบาทจองเวรวิตกกองวลทุกทรมานไม่มีหยุดไม่มีย่นวิชา ต, ต่อสู้กับพยามานมีโยพุทธเจ้าท่านสอนนี่ะสติสัมปชัญญะเป็นอาวุธเป็นเครื่องมือถ้าจะเทียบกเหมือนในขมังธนูน่แหละ นี่แหละมีอาวุธอยู่ในมือมีอาวุธอยู่ในมือสติสัมปชัญญะเป็นอาวุธอยู่ในมือคอยตอก ก, กันกับสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราถ้าเราจะเทียบเหมือนกับนายพรานเขาเข้าป่านั่นแหละเขามีธนูอยู่ในมืออ่ะกงแล้วก็ปล่อยใส่กงแล้วก็ปล่อยใส่มีอาวุธอยู่ในมือ สติปัญญาของเราก็มีอยู่ในมือนำริขึ้นมาตั้งขึ้นมาแล้วก็กำหนดรู้พิจรารณาตั้งขึ้นมากำหนดรู้พิจรารณาปล่อยทิ้งกำหนดรู้พิจรารณาแล้วก็ปล่อยทิ้งไปไม่ให้เจ้ า, าวิ ช, ชามนมาครอบงำในหัวใจของเราให้มันตื่นให้มันร่ออยู่ตลอดท่านยังให้ภาวนา ให้ขยันภาวนาคนนั้นเป็นคนที่รู้จักปรับปรุงพื้นเพจริต จ, จิตใจของตัวเองถ้าเรารังเกียรเดียดฉันพบภูมิความเป็นอยู่ของตัวเองพยายามทํางานนี้มากถ้าเราทำถ้าเราทำงานนี้น้อยเราก็ยิ่งตกกระป๋องมากไปมากกว่านี้อีกถ้าเราขยันทํามากกว่านี้มันหักปรับพบภูมิจริต จ, จิตใจจิตนิสัยบุญญาบารมีของเรา ดีขึ้นให้เพิ่มขึ้นให้สูงขึ้นมากกว่านี้ไม่ต้องมาตักต่อยอยู่อย่างนี้ต่อไปนี้โลกนี้จะเต็มไปด้วยมิจฉาทิฐิเต็มไปหมดจะเต็มไปด้วยมิจฉาทิฐิเต็มไปหมดจกหูจกตาฆ่าแกงกันกินกันอยู่นี่แหละไม่มีจบแหล ะ, ะมันไม่ต่างอะไรกับโลกเดริฉานคมเหงกันกินบางศาสนาก็ขมเหงกัน คมเหงกันคมเหงกับคูต่ต่อสู้กันนั่นแหละถ้าใครรู้จักข้อมูลลึกๆไปนี่โอ้ร้ายกาจมากมันีบางศาสนาเนี่ยโยโ ย, ยุให้คนเหิมเกรมกล้าตายกล้าตายเพื่อประโยชน์ของตัวเองถูกมอมเมาจากคำบอกคำสอน ดังที่พูดไปเมื่อกี้นะว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิต่อไปนี้มิจฉาทิฏฐิจะครองโลกมิจฉาทิฏฐิจะเต็มโลกและมิจฉาทิฏฐิจะครองโลกถ้าเราไม่พยายามพึ่งสัมมาทิฏฐิเราก็จะถูกมิจฉาทิฏฐิครอบหัวใจของเราไปด้วยมันน่า ก, กลัวมากๆอืมเราอะไรไม่เหมือนกับไม่ต่างอะไรกับสัตว์ตัวหนึ่งถูกคนที่เขามีสิทธิกว่ามีอำนาจกว่า มีพวกพ้องที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันมากกว่ามาเบียดเบียนมาบีบบี้สีไฟแล้วแต่จะทำยังไงตามใจชอบคอยดูประเทศไทยมันจะถูกเขาต้อนเข้ามาต้อนเข้ามากระชับเข้ามากระชับเข้ามาเขาฉับเข้ามาจนจอยู่ในกำ ม, มือของเขาแล้วเดี๋ยวนี้จนจะอยู่ในกํำ ม, มือของเขาแล้วอืมซึ่งลัที่ของเขานี่มันตรงกับลัทธิของพุทธเจ้าของเรา พุทธเจ้าของเราันสอนให้เมตตากรุณามุติต า, าเบาิกขามันเหมือนกับว่าทำให้เราเนี่ยงอมืองอตีนแท้จริงเราเมตตาเรากรุณาเราบุติตาเราเบาิกขาเขามองเห็นว่าเรานี่นี่แหละคือจุดอ่อนนี่แหละคืออ่อนแอนี่แหละคืองอมืองอตีนนะแค่เดินไปเหยียบแค่วิ่งไปเหยียบก็พร้อมที่จะนอนให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้เหยียบว่ราะงั้นเถอะพวกเรานี่แหละ ดูไปแล้วเหมือนกับเราพร้อมที่จะเหยียบแต่มันเหยียบได้แต่แต่ร่างกายนั่นแหละจิตใจมันเหยียบไม่ได้ดอกเหยียบได้แต่ร่างกายจิตใจมันเหยียบไม่ได้ดอกถ้าแล้วเขาก็เดินเหยียบเดินย่ําได้ตามสบายทําสารพัดลามกตกเปรตสารพัดแล้วแต่มันจะทําเขาสอนตรงกันข้ามกับเราเพราะฉะนั้นให้เราเอาอะไรไปต่อก่อ น, นะเขาไม่มีโอกาสที่จะต่อก่อนเขาเนี่ยตัวก็เปียกขนาดนี้มานี่ มีอาวุธติดตัวแหละมีอาวุธป้องกันตัวมีอาวุธติดตัวอคู่ต่อสู้ที่เป็นศาสนาที่เป็นปรปักเนี่ยพร้อมที่จะตายได้ถือว่าโอ้เป็นการทํางานยิ่งใหญ่ให้กับผู้เป็นใหญ่ของเขาแหละไปเจ้าของเขาแหละต่อไปจากนี้จากนี้เป็นต้นไปยกพวกเรานี้อาจ อาจจะทันอาจจะคาบเกี่ยวเดี๋ยวนี้ก็คาบเกี่ยวแล้วแต่พวกเราไม่ค่อยได้รู้จักสื่อสารไม่รู้จกักไม่ไม่ไม่ค่อยทราบข้อบุญเราดูที่ปากใต้มันเดือดร้อนอยู่เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามามันไม่มีอะไรเป็นอื่นมีสิ่งเหล่านี้แหละเนี่ยศา ส, สนากับการเมืองันไปด้วยกันศา ส, สนากับการยึดครองบ้านยึดครองเมืองมันไปด้วยกัน พวกเราไม่ระมัดระวังเอาไว้วันดีคืนดีเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีกลยานามิตรแบบนี้ไปอยู่ใกล้เข้าตายละล่าระวังให้ดี <laughs> อ่าทารุนมิตรไม่ใช่กาลยานามิตรทารุนมิตร มิทธิทารณุณโหดร้ายที่สุดพร้อมที่จะควักลูกตาพร้อมที่จะหักแท่งหักขาเรายามเราเผลอจิตของคนเราเนี่ยสักเ่วารู้สักเทวารู้สักเทว่ามีความรู้สติปัญญาที่จะมาบอกสอนให้เราเข้าใจเรื่องสัมมาทิฏฐิ คนที่สุ่มเดาแล้วก็บอกสอนว่าอย่างนี้แหละดีอย่างนี้แหละดีอย่างนี้แหละต้องวิธีนี้ถึงจะชนะเขาวิธีนี้ถึงจะชนะเขาสมาธิมิตรชาติมิตรไม่รู้เรื่องเขาก็เลยทำทำอะไรเป็นเรื่องตอบสนองกิเลสในหัวใจทั้งหมดโอกาสที่จะทําอะไรเพื่อเป็นการตัดรอนกิเลสในหัวใจของตัวเองไม่มีไม่ต้องไปคิดตัดรอนกิเลสในหัวใจคนอื่นตัดรอนกิเลสนหัวใจตังเองได้ก็ถือว่าพน้พ น, พนทุกพ้นโทษไปได้ ตัดไม่ได้ก็คือว่าเราพันทุกพันโทษให้กับกับเราเองแล้วก็พร้อมที่จะคลุกคลีตีโมอยู่กับมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นไม่มีจุดจบไม่มีที่จบหน้ากลัวหน้าเบือ่อหน้ากลัวหน้าเบือเบ่อหน่ายเป็นภาระเสียเวลากับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแต่ก็เป็นเหตุให้เราต้องในธระมระวงังไม่งั้นภยนัยเหล่านี้จะต้องมาถึงเรา ตายตายเอ า, ต า, เอาตายเอาอยู่เนอะรวงเป็นอะไรเนอะเขาไม่มีเขายุเขา ย, ขายุให้กล้าเขาไม่ได้ยุให้กลัวยุให้กล้าตายพวกเราตายไม่สมควรไม่สมเหตุสมผลเราจะไปตายฟรีทำไมไม่ไปตายฟรีทำไมเรามีคุณงามความดีเต็มตัว เขามาตัดมือตัดตีนตัดลายตัดอะไ ร, ะไระัก็เขาตัดเราไม่ได้ตัดเขาเขาเป็นเจ้าของกรรมเขาเป็นคนทำเราไม่ได้ทำเนี่ยวพุทธเจ้าท่านเอาตรงนี้ขนาดท่านสอนพระพิสุมีคนเขามาทรมานอเอาเธอนอนลงเอาเธอนอนลง เอาเลื่อยมาตัดกลางตัวอืเธอจะทำตัวยังไงเธอจะทำตัวยังไงก็ปล่ยเขาตัดตัดก็ตายไม่ต้องโกรธตอบไม่ต้องเกลียดตอบแต่เขาเป็นคนทำเราไม่ได้ทำร่างกายนี้ถึงเขาไม่ทำเราก็ตายเขาฆ่าก็ตายเขาไม่ฆ่าก็ตายเขาดา่าด่าดีแล้วดีกว่าเขาไม่ทุบ ทุบีเขาทุบตีดีแล้วดีกว่าเขาไม่ฆ่าแน่ท่านให้พิจารณาไปไปอย่างนี้แต่มันเป็นหลักคําสอนที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของเมตตาเมตตาคําจุนโลกเดี๋ยวนี้ศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาที่ยอมรับทั่วโลกว่าเป็นศาสนาที่ยังสันยังโลกให้มีความสันติภาพทําให้โลกเสมอภาคมีความสุขเท่าเทียมกันได้แต่ศาสนาที่ ที่เขาไม่ใช่ว่าเป็นสันทิภาพโลกแต่มันมีอิทธิพลมากเพราะมันเอาบทบาทของกิเลสเต็มร้อยมาใช้เราจะเอาอะไรไปตอกก่อนกับมันในที่สุดมีสิ่งดีที่ไหนก็มีสิ่งไม่ดีที่นั่นมีผู้อยู่อยากอยู่สงบเงียบที่ไหนก็มีผู้ไปรังแกรังควานที่นั่นพูดง่ายๆคือมีพระเอกที่ไหนก็ต้องมีโกงที่นั่น ถ้าไม่มีกองก็ไม่มีพระเอกถ้าไม่มีพระเอกก็ไม่มีกองนะเป็นข้อเปรียบเทียบเราเอาพระเอกในตัวเรานี่แหละภาวนาพุโทโธพุทโธให้เป็นพระเอกไปตลอดยืนเดินนั่งนอนจะไปนู่นไปนี่จะทำอะไรอยู่ในเสี่ยงอยู่ในที่เสี่ยงอยู่ในที่ขับขันริ่งเราต้องได้ระมัดระวังงานทั้งนี้เป็นงานที่เราทำไปแล้วมันมันก้าวหน้ามันจะเพิ่มพูนมันจะก้าวหน้า เหมือนข้อปฏิบัติที่ท่านให้เราปฏิบัติเนี่ยให้ทานก้าวหน้ามารักษาศีลก้าวหน้ามาภาวนาให้จิตสงบเป้าก้าวหน้ามาทำให้สติปัญญาเราออกพิจารณาทำลายความหลงของตัวเองทำลายความหลงก็คือทำลายมิจฉาทิฏฐิในตัวเองนั่นแหละเดี๋ยวนี้เราทุกคนมีมิจฉาทิฏฐิเต็มแปร่ไปหมดเพราะเป็นกนบายมายาของเกเรต มันไปนสวมรอยใช้ในใจของเรานั่นแะคือมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นเรื่องของพุทธเจ้าและเป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหมดตาเห็นรูปตาเป็นตารูปเป็นรูปไม่จะต้องไม่จาเป็นจะต้องไปเอารักมาไม่จาเป็นจะต้องไปเอาชังมานี่อันนี้คือพุทธเจ้าท่านสอนไม่งั้นมันก็เอาความรักเอาความชังเข้าไปใส่ มันไม่เป็นปกติเนี่ยคุตติยาทันสอนให้เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ได้นี่แหละสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นถูกเห็นอัตตะสัมมาปนิธิเน่ยตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ชอบด้วยธรรมะพื้นพื้นธรรมะสูงละเอียดลึกขึ้นไปจนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสัจจธรรมสัตว์ทว่าเป็นสัจจธรรมไม่มียึดเข้ามาไม่มีผลักออกไป ให้พร